งานพูดคุยกระตุ้นเตือนมีความมุ่งมั่นอยากจะให้กิจกรรมในการที่ในเรื่องนี้เกิดขึ้นใหได้ไม่รู้เรื่องใดปรึกษาผู้รู้ในมุมนั้นหาผู้รู้ในแต่ละด้านแต่ะด้านมารวมกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจมุ่งมั่นืันว่าเราจะทำความงามของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความงามทุกด้านอยู่แล้ว พวกเราเห็นความงามของพระพุทธเจ้าแต่ละด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันบางคนเห็นความงามด้านพุทธศินบางคนเห็นความงามทางด้านของบทศาสกบางคนเห็นความงามในทางด้านของของเนื้อธรรมะแต่ละข้อบางคนก็เห็นความงามในด้านของพุทธสถานที่หายเหล่านี้เป็นต้นภาพจิจกรรมฝาผ น, นังอะไรก็แล้วแต่ถตลอดถึงพุทธปฏิมากรพุทธปฏิมากรรม แล้ก็พุทธเจดีเห็นความงามของพระบรมสารีริกธาตุสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีพร้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะร้อยเรียงสิ่งเหล่านี้มารวมกันหาผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้มาช่วยกันใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาคัดกรองให้เป็นประโยชน์จริงๆเพืจะได้ว่าบุคคลทั้งหลาย เขามีความขาดตกบกท่อผมไใจเขาก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้รู้ได้เข้าใจในมุมนั้นไม่ได้ไดินใด้แค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เขากับเจาะจากประวัติศาสตร์เข้าถึงสาระธรรมะในที่นั้นเป็นต้นดัถ้าถามว่าด้านประวัติศาสตร์สําคัญมไหมก็ต้องสําคัญพระเจ้าเนี่ยบาเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างไรเรายังต้องต้องศึกษา เมื่อบอกเป็นบารมีแล้วมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรเข้าถึงธรรมะอย่างไรเมื่อเข้าถึงธรรมะอย่างไรและวธรรมะที่พระองค์ทรงมาเปิดเผยมาแสดงมาบอกกล่าวมาทําให้ง่ายมาทําให้ตื้นต่อพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงตัวสาระธรรมตรงนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เรานอกจากได้เปลือกนะได้เปลือกได้กับพี้เข้าไปแล้วเข้าถึงแกนเข้าถึงเนื้อใ น, นได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ถูกส่วนนั้นพุทธศาสนามีหลายส่วน ส่วนท่านด้านของศาสนาวัตถุเราก็เข้าใจอีกศาสนาวัตถุทั้งหลายลเนี่ยศาสนาบุคคลแล้วก็เข้าใจอีกศาสนาพิธี เ, เข้าใจเจา ก, ก็หาศาสนาธรรมหรือคำสอนโอ้ยยิ่งเข้าใจอยอะเลยดังนั้นเ ร, เราก็จะต้องเข้าไปเชี้ยวเข้าไปค่อยๆกินค่อยๆวิจัยแยกแยะจนเข้าถึงศาสนาธรรมแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ที่จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าถึงความดับทจริงไม่ใช่ไปที่จุดใจจุดหนึ่งแล้วเราก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ตอนนี้เราเข้าถึงพุทธศินที่ทางด้านของพุทธปฏิมากรรมดารศาสนวัตถุโบราณวัตถุโบราณสถานเข้าถึงในเรื่องของพระอัจิยะเข้าถึงพระพุทธศรีลักษณ์คุณ ในด้นของความงดงามในการสร้างแต่ละยุคแต่ละสมัยได้แล้วนี่เจะต่อสิเนื้อหาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนอยู่ที่สารธรรมศีลอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงไหนไม่ใช่เข้ามามาติดอยู่แค่ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้หยุดอยู่นะต้องไม่ประมาทไม่ได้หยุดอยู่เช่อว่าเหมือนเว็บเมื่เราเข้าไปในสารธรรมมันยังต้องมีที่เดินต่อ เช่นพอได้ระดับศีลแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่สีนี่ถือว่าประมาณถ้าพัฒนาต่อตรามอดี ต, ตีปฏิสติสุขเข้าถึงสมาธิบคนก็หยุดอยู่แค่สมาธิได้สุขสมนัติจ็ดสมาธิได้ความตั้งมั่นต่สมาธิยังไม่พอถ้าพัฒนาต่อไปปัญญาปัญญาระดับไหนปัญญาระดับเหตุระดับผลปัญญาระดับเห็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาระดับเข้าถึงการดับกิเลสแลว้วก็เข้าถึงวัตถุภา น, านโอ้ยีอีกหลายระดับเลยนั่นเราหยุดอยู่ ยังวัดติดแค่ปืนแค่ปะวัศาสตร์างเดยวไม่ได้แล้วองเจะเข้าถึงไม่ได้นั้นจะต้องช่วยกันประคับประคองใครได้มุมไหนอย่างไรชูกันดึงกันเพื่อจะเข้าถึงคําสอนแก่นแท้ของพุทธศาสนาได้ถ้ายังติดอยู่ในจุดไหนก็ช่วยกันดึงชกันชัชกชว ล, ล่าเข้าไปที่สุดที่มันจะได้ไประโยชน์สูงสุดขนาดยังห้ามหยุดหยุดนั่นหยุ ด, ยดก็ประมาทเลยนะเนีพุทธศาสนาถ้ายังไม่ถึงจดหมายไปลายทางหยุดไม่ได้ จุดหมายปลทางวิมุติการหลุดพ้นจกกนแทุกข์ถ้ามหยุดยแค่นี้แย่เล ย, ายเการเมาเลยแย่เลยในชีวิตไม่ได้ไปไหนเลยบางคนมนติดอยู่แค่เเงี้ยนะมนติดอยู่แค่ัเงี้ยม่มีตาเลยไป ไ, ไ, ไม่เป็นเลยบางคนก็ติดอยู่แค่วัถพอไปเห็นโบสถ์เห็ น, บ น, นโบราณวัสวยงามติดอยู่แค่นั้นเอง บางคนบอกโอ้โหพุทธศิลป์ในยุคนั้นเขาสร้างกันสวยงามไปเกินถ่ายภาพออกมาเยอะๆแค่นั้น yeah, เลยแย่เลยบางคนไปโอ้เห็นมหาปุริสระขนาดเห็นพระเนตรมีความงดงามเห็นพรนธุากมีความงดงามเห็นพันนาสิกมีความงดงามเห็นพระทั้งตามีความงดงามริมพระโสดมีความงดงามลัมสสรมีความงดงามประกันก็งามพระอังสาก็งดงามพระอุระก็งดงามลัม เทวรก า, าจะมีความงดงามพระชงงดงามเนี่ยดูงามดูนิ้วพหัตถดูอะไรต่างก็เลยติดอยู่แค่นี้นเลยได้แค่งามแค่ตรนี้ถ้าเจาะลงไปอีกนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําตามอะไรนาะถึงได้พระเ น, เนี่ยถึงความเป็นบรมีข้อไหนพาศินพาวาในธรรมะทั้งหลายแล้วเนี่ยจะถึงเวขาบารมี กุปปารมีส so like like ิทธ like ิ okay. ์ปรมัตถารมีสิทธิ์มีพระเนชอย่างนี้มีพระเนตนี้จะได้อะไรมีพระชงอย่างนี้จะได้อะไรมีพระนาศิกนี้จะได้อะไรมียิมพระโอดอย่างนี้จะได้อะไรลักษณะอย่างนี้มีคติสองเป็นยังไงอยู่ของเรือนจะเป็นจักรพรรดิออกบวชจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นพุทธเจ้าล้วจะได้อะไรโอ้โหมันเจาะเข้าไปในลึกอีกเลยนะข้าแตข้าก็เจาะถึงเนื้อหาธรรมะอย่างแท้จริงนี่เขาเรียกว่าเป็นผุทจริงๆเป็นผู้ที่แสวงหาปัญญาจริงๆเห็นไหมล่ะ นั้นเราเรียนรู้ไม่เรียนแบบบางคนเนี่ยได้แค่ว่าไปเห็นพบก็มาเรียนแบบเรียนแบบยุคนั้นเป็นอย่างนี้ยุคนี้เป็นอย่างนี้สมัยนั้นเป็นอย่างนี้สมัยก็ได้มาลอกแบบเรียนแบบขึอยู่อย่างเงี้ยไม่พอเราต้องเรียนรู้เจาะก็ถึงสาละเจาะก็ถึงทำ ม, มาให้ได้ถ้าอย่างเงี้ยโอ้ชัดเลยมองเห็ น, นยังนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก็ต้อง ที่สุดจริงๆจะต้องเขาเรียกว่าเรียนรู้นะเรียนรู้ให้เข้าถึงความจริงแต่ละระดับให้ได้ความจริงในระดับของวัฒนธรรมประเพณีความจริงในระดับของพุทธศิลป์ประติมากรรมความจริงในระดับประวัติศาสตร์แล้วก็ความจริงในระดับของสารธรรมแล้วก็เอาประโยชน์ของแต่ละความจริงนั้นได้ประโยชน์ที่สุดจริงๆก็ต้องเข้าถึงสาระ ถ้าไปเข้าถึงสาราจริงๆแต่ว่างานเขียนก็ดีเรื่องการทํางานของเราก็ดีก็ยังไม่ประสบจุดหมายไปลายทางนี้แท้จริงไม่ตรงตามทุาประสงค์อย่างแท้จริงเราไปฟังพระพุทธเจ้าไปที่พุทธเจดีย์ไปมองพระเนตรมองไปพักของพระพุทธเจ้าก็ต้องอ่านพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ออกว่าเราเล่าเอ่ว่าพระพุทธเจ้า พระเจามีพระเนตรมองมาที่เราถามว่าพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อะไรในตัวเราเขาต้องมองพระพักมองพระเนตรแล้วก็ต้องเจาะไปที่พุทธประสงค์ของพระเจ้าให้ให้ออกว่าพระเจ้าหวังอะไรในตัวเราพระองค์ตั้งพณิธสัาอย่างไงเราตัดสู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสู้ด้วย เราข้ามพ้นได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเห็นไหมเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยพระพุทธเจ้าตัดสู้ยังแล้วเราอ่ะพระเจ้าข้ามได้หรือยังข้ามจากชาติชาราพยาทิเบตแล้วนะและเราอ่ะพระเจ้ า, าหายใจคล่องหรือยังแล้วเราอ่ะ หายใได้ขึ้นเดียวนี่มันเราไม่เไม่เข้าใจพุทธประสงค์นี่เราไปเนี่ยพระวาดภาพพระจดีเอ่ยที่เอาภาพพระจดีย์เอ่ยพระสิริละคุณพระบรมศารีเก้าท้าดเอ่ยหรือว่าพระรูปพระเจ้าวัดนามทั้งหลายเหล่าเนี้ยละพุทธประสงค์ที่พระเจ้าหวังนในตัวพวกเราที่เป็นเราเวเนยชนหรือมนุษยชาติเนี่ย พระพุทธประสงค์ต้องการอะไรแล้วเราได้ทําตามพุทธประสงค์แค่ไหนเนี่ยเขาถึงนั้นถ้าเขาไม่ถึงเขาถามตัวเราเองว่าทำไมเราได้แบบนี้ทำไมเราถ้ามองอย่างนี้มันจะกระตุ้นเตือนตัวเองไหมก็ได้กระตุ้นเตือนตัวเราเอง่าโอ้อยู่ไม่ได้ทันั้นเราแย่เลยแต่เนี้เลยไม่ได้ไประโยชน์ในกันสักแต่ว่าหายใจทิ้งเลยนี่ยหายใจทิ้งแท้แท้นี่ยทำไมเราเป็นคน สรธาเรามีน้อยนิดเพกินทำาน ม, มีแค่ น, นี่ยทั้งท่านเพิ่มได้มีวิธีวิทยาบอกวิธีหลากหลายทําไมไม่จอหาสารธรรมใช่ไหมเราหรือเราเพียงแค่นี้เองศักยภาพตั้งเหลือเยอะแยะแล้วปล่อยศักยภาพอีกมากมายที่เราไม่ น, นึกเอามาใช้เอามาทำให้มันเต็มที่น่าเสียดายปล่อยให้แก่ตายไปหูเสียหายมากเลยใช่ไหมละ่ะ จะหลับตาลาลเลาก็นอยู่แล้วขุดขึ้นมาถ้นเอามาทำให้มันเต็มที่หน่อยได้ไหมขออย่างเดียเราใช้ศักยภาพของเราไม่ถึง5เปอร์เซ็นไม่ถึง20เปอร์ซ็น80เปอร์เซ็นต่อยมันตายเลยโอ้โหเสียหายมากเลยคัง้ทงที่มนุษย์เนี่ยทศสูด้วคนทุกกางัง จะย้อนแก่ตายกันก็ น, นี่ไงก็ได้กินได้ใช้กันอยู่แค่นี้เองในะชีวิตทั้งๆ ท, ที่มันมีสารยาพที่จะทําได้มากกว่านี้อีกเยอะมากใช่หมบางคนเกิดมาแค่ไปหาทรับมามได้ประโยชน์เลยเนี่ยกต่ดูเรียมีซับมันเต็มเป่นเดินแ ล, แลน้วแล้วมาเกิดรอดกันไหมเนี่ยเขาก็ไม่พ้นจะเกิดแก่เจ็บตายอยู่ีไม่ทําไมชีวิตเป็นอย่างนี้นฉะนั้นตรงเนี้เราก็จุดประกายขึ้นมาคนได้เห็นเป็ น, นยอะถึงมันจะ ยืนอยู่บนท่ามกลางเดินอยู่บนท่ามกลางทั้งคนที่หลับไหลมัวเมาแต่เราน่าจะมีการจุดประกายจุดอาทิตย์ขึ้นคนที่หลับหึือพุทยมที่หลับเต็มไปหมดให้เขาตื่นขึ้นมาได้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงหน่อยได้ไหมก่อนที่เราจะหลับ